ขอ น, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามภีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักขิตาจารย์ชาวสีลังการัจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการพราหมณ์เหล่านั้นเห็นพระลักษณะทั้งหลายเหล่าใดแล้วพยากรณ์ว่า พระกุมารนี้จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้ถึงว่รรค ท, ที่จะพรรณนาพระลักษณะเหล่านั้นแล้วในเรื่องนั้นที่ชื่อว่าลักษณะได้แก่มหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการบริวารแห่งพระมหาปุริสลักษณะนั้นคืออนุพยัญชนะแปสิบประการสมดังที่พระพุทธเจ้า ตอบไว้ว่ามหาปุริสลักษณะนั้นพระมหาบุรุษพระมหาบุรุษนั้นมีมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการคือหนึ่งที่ฝ่าพระบาทราบเสมอกันสองพื้นฝ่าพระบาททั้งสองมีจักรซึ่งมีกรมข้างละหนึ่งพันซี่มีกงมีดุมมีส่วนประกอบทุกอย่างสาม มีส้นพระบาทยืดยาวออกไปสี่มีพระองคุลียาวห้ามีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มหกฝาพระหัตและฝาพระบาทมีลายตะขายเจ็ดมีข้อพระบาทสูง 8. ปดมีชงเรียวดุดแท่งเนื้อทายเก้าเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบคลำถึงพระชานุด้วยฝาพระหัตทั้งสองได้ 10. มีพระคุยหาฐานในมีพระคุยหะฐานเรนอยู่ในฝักสิบเอ็ดมีพระชวีสีทองคือคล้ายทองคำสิบสองมีพระชวีละเอียดจนละอองทุลีไม่อาจติดพระวรกายได้สิบสามีพระโลมาชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวสิบสี่มีพระโลมาชาติปลายงอนขึ้น คือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดุจกุลทนสีคลามเข้มดังดอกอัญชันสิบห้ามีพระวรกายตั้งตรงดุจกายทรมสิบหมีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์สิบเจ็ดมีพระวรกายส่วนบนดุจกายของราชสีสิบปมีร่องพระติดสดางเต็มเสมอกัน สิมีพระวรกายเป็นปริมนทนดุจปริมนทนแห่งต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายยี่สิบมีลำพระศอกลมเท่ากันยี่สิบเอ็ดมีเส้นประสาทรับรถพระกยายหารได้ดียี่สิบสองมีพระหานุดุจคางราชสียี่สิบสามมีพระทนสี่สิบซี่ ยี่สิบสี่มีพระทนเรียบเสมอกันยี่สิบห้ามีพระทนไม่ห่างกันยี่สิบหกมีพระเขี่ยวแก้วผาวงายี่สิบเจ็ดมีพระชิวหาใหญ่ยาวยี่สิบปดมีพระตุระเสียงดุดเสียงพรมและเสียงนกการะเวกยี่สิบเก้ามีดวงพระเนตรดำสนิทสามสิบมีดวงพระเนตรดุดตาลูกโค3สามสิบเอ็ด มีพระอุณาโลมระหว่างพระพนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นสามสิบสองมีพระเสียนดุดประดับด้วยกรอบพระพักในมหาบุริษลักษณะสามสิบสองประการนั้นพระมหาบุรษุษมหาบุริศลักษณะข้อว่าสัปุสั ป, ป, ส ป, ปติติตาปาโดข้อว่าสุ ป, ปติติตาปาโด มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันมีอธิบายว่าสำหรับชนเหล่าอื่นในเวลาวางเท้าลงปลายเท้าส้นเท้าหรือว่าข้างฝ่าเท้าจะสัมผัสพื้นดินก่อนหรือจะเว้าตรงกลางฝ่าเท้าในเวลายกเท้าขึ้นปลายเท้าหรือว่าพื้นเท้าเป็นต้นต่วนใดส่วนหนึ่งจะยกขึ้นก่อนแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าจะสัมผัสพื้นดินเสมอกัน ยกขึ้นเสมอกันดุดรองเท้าทองคำก็ถ้าพระผู้มีพระภาเจ้าทรงพระประสงค์จะวางพระบาทลงที่ปากเขียวในขณะนั้นเขวจะเต็มขึ้นมาดุดถุงลมฟูขึ้นเสมอกันดุดพื้นกลองพระผู้มีพระพาเจ้าทรงยกพระบาทขึ้นด้วยทรงประสงค์จะทรงวางลงในสถานที่ไกลแม้ภูเขาพระสุเมรุก็จะมารองรับพระบาทโดยเร็วพลัน เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งโลกสเสด็จพระพุทธดำเนินที่ลุ่มก็ดอนขึ้นที่ดอนก็ราบเรียบแผ่นดินแผ่นหินก้อนกรวดกระเบื้องตอและหนามทั้งหมดไม่มีจิตใจก็เว้นทางถวายเมื่อพระผู้เป็นผู้นำแห่งโลกสเสด็จพระพุทธดำเนินเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จพระพุทธดำเนิน ฝ่าพระบาทอันอ่อนนุ่มสัมบัติสัมผัสพื้นดินที่เรียบเสมอกันก็ไม่เปื้อนด้วยฝุ่นพระชินเจา้าพระองค์นั้นทรงมีพระอาจาระหน้าชมดังพญาช้างทรงสง่างามในอาการเสด็จพระพุทธดำเนินพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลิศแห่งโลกเสด็จพระพุทธดำเนินงามนักทรงยังมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกให้ร่าเริง พระมหาบุริสรสนะข้อว่าเหตถ า, าะตาะณเตสุจักกานิชาตานิพื้นฝ่าพระบาททั้งสองมีจักมีอธิบายว่าลักษณะแห่งจักคือมีกงจักสองกงที่พื้นฝ่าพระบาททั้งสองแต่ละกงมีตี่ประมาณหนึ่งพันี่ลักษณะอันเป็นมงคลอันเลิศปรากฏอยู่บนพื้นฝ่าพระบาท ประมาณเท่านี้เหล่านี้คือวงแห่งกรงล้อมีสีทองดุมมีสีแก้วอินทนิลตรงกลางและรอบวงดุมและด้านหน้าดุมมีรอยเขียนวงกลมมีช่องรูตรงกลางขอบนอกกงจักรวงกลมภายนอกกงจักรมีรูปหอกรูปเว้นสองพระพักรูปภาชนะทองรูปสวัสดิกะรูปช่อดอกไม้รูปภาชนะทองรูปตัง รูปขอรูปปราศาสตรรูปเสาใต้รูปเวทฉัดรูปพระขันรูปพัดใบตาลรูปพัดหางนกยูงรูปพัดขนจามรีรูปมงกุฎรูปบาตรรูปดวงแก้วมณีรูปพวงดอกมะลิรูปดอกนิลุบลนรูปดอกอุบลแดงรูปดอกปทุมแดงรูปดอกปทุมขาวรูปดอกบัวขาวรูปภาชนะน้ำปุณณกรด รูปถาดใส่น้ำรูปมหาสมุทรรูปภูเขาจักรวาลรูปภูเขาหิมะผานรูปภูเขาพระตุเมรุรูปดวงอาทิตย์รูปดวงจันทร์รูปดวงดาวรูปทวีตทั้งสี่ขับทวีตบริวารรูปพระเจ้าจักรพรรดิรูป่องพร้อมรูปพระเจ้าจักรพรรดิผู้พังพร้อมด้วยรัตนเจตการกับบริวารรูปสังพักศินาวัตรรูปปลาทองคู่รูปจักคู่ รูปแม่น้ำสายใหญ่เจ็ดสายรูปภูเขาสัตตะบริพันธ์รูปสะน้ำสีทันดรทั้งเจ็ดรูปพญาหงทองรูปจารเกรูปธงชายผ้ารูปวัวทองรูปพัดวาลวีชนีทองรูปภูเขาไกลราารูปราษฎรีรูปพยัคฆราชรูปพญาม้าวราหกรูปพญช้างอุโบสถรูปพญช้างฉัตรทันรูปพญาวาสุกรีนาคารารูปพญาหง รูปโคอุตสภาชรูปพญาช้างเอราวันรูปมังกรทองรูปพรมสีหน้ารูปเรือทองรูปแม่โคกับรูปโครูปกินนอนรูปกินนรีรูปนกกาเรเวกรูปพญานกยูงรูปพญานกกระเรียนรูปพญานกจากท่ารูปพญานกพริกรูปเทวโลกหกชั้นรูปพรมโลกสิบหกชั้นทั้งหมดก็ประมาณ เกือบสิบเจดสิบอย่างนะหกสิบเก้าอย่างเจ็ดสิบอย่างคำว่าอายตะปันนี้มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปคือมีส้นพระบาทยาวบริบูรณ์สำหรับชนอนอกนี้มีพื้นเท้าข้างปลายยาวแข่งเหนือส้นเท้าเป็นเหมือนถูกถากแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพื้นพระบาทแบ่งเป็นสี่ส่วน ตนพระบาทอยู่เหนือส่วนหนึ่งพระชงอยู่เหนือส่วนหนึ่งสองส่วนเป็นพื้นพระบาทส่วนปลายพระฉนั้นส้นพระบาทดุดม้วนผ้ากาพลสีแดงที่เขาม้วนวางติดไม้กับเหล็กแหลมในคำว่าทีครังคุลีมีพระองคุรียาวนี้คือสำหรับชนเหล่าอื่นนิ้วบางนิ้วยาวนิ้วบางนิ้วสั้นแต่สาหรับพระผู้มีพระพาเจา พระองคุลีพระหัตและพระบาทเป็นเช่นเดียวกันดุดนิ้ววานอนข้างต้นใหญ่เรียวลงไปจนปลายนิ้วกลมดุดแท่งหรดานที่ปั้นด้วยน้ำมันยางเพราะฉะนั้นจึงตรงมีพระองคุลียาวคำว่ามุทุตลุนะหัตถปาโดมีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มคืออ่อนเหมือนปุยฝ้ายที่ยีถึงร้อยครั้ง นุ่มเหมือนมือเท้าของกุมารที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นจึงทรงชื่อว่าตรงมีพระหัตตและพระบาทอ่อนนุ่มบทว่าชาลหัตตะปาโดฝาพระหัตและฝาพระบาทมีลายตาขายคือสำหรับชนเหล่าอื่นนิ้วมือนิ้วเท้าบางนิ้วสั้นบางนิ้วยาวแต่สำหรับพระผู้มีพระพาเจ้านั้นนิ้วพระหัตข้างละสี่นิ้วพระบาทข้างละสี เว้นแต่พระอังคุตถะก็คือนิ้วหัวแม่โป้งเสมอกันชิดเจตสีกันชนิดดุดตา่ายที่ช่างคนขยันถักไว้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงมีพระหัตและฝ่าพระบาทมีลายตาคายคำว่าอุดสังขะปาโดมีข้อพระบาทสูงคือมีอัฐิข้อพระบาทลอยอยู่สำหรับชนเหล่าอื่นข้อเท้าจะติดอยู่กับพื้นหลังเท้าดังนั้น เท้าของชนเหล่าอื่นจึงกลอกกลับผันแปรได้ไม่คล่องเมื่อชนเหล่านั้นเดินไปพื้นเท้าจึงไม่ปรากฏแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อพระบาทสูงขึ้นไปสี่องค์คุรีตั้งอยู่เหนือพระบาทดุจคอหม้อน้ำปุ่นนักหลดดังนั้นพระวรกายส่วนบนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดำรงอยู่ไม่วันไหวดุจพระปฏิมากรทองคำไว้อยู่แต่พระวรกายท่อนล่าง พื้นพระบาทกลับกรอบย่างเหยียบได้คล่องพื้นพระบาททั้งหมดย่อมปรากฏแก่คนที่ยืนดูอยู่ในที่ทุกแห่งดังข้อดังนั้นจึงชื่อว่ามีข้อพระบาทสูงคําว่าเอนิชังโคมีพระชงเรียวดุจแข่งเนื้อทรายคือทรงมีพระชงดุจแข้งเนื้อทรายเพราะพระชงของพระโพธิสัตว์ดุจแข้งแห่งเนื้อทรายซึ่งเรียวขึ้นตามลาดับ มีพระมังสะหุ่มเต็มรอบดุจท้องแห่งข้าวสาลีคำว่าทิตโกวะอะโนนมัมโตอุโพหิปานิตะเลหิชันุกานิปรามสตติปริมชัชติเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูกคลาถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้พึงทราบอธิบายว่าชนเหล่าอื่นเป็นคนค่อมหรือว่าเป็นคนแคะ ส่วนพระโพธิสัตว์นี้มีได้สรงก้มลงก็ใช้พระหัตถ์ทั้งสองลูปพระชานุทั้งสองได้เพราะพระองค์ทรงมีพระวรกายบริบูรณ์คำว่าโกโสหิตะวัทะคุยโหมีพระคุยหะฐานเรนอยู่ในฝักคือพระโพธิสัตว์มีปุริสสะพยัญชนะคืออวัยุวะเพศปิดบังเช่นกับฝักบัวทอง ดุดคุยหะของโคอุตสภาราชดุดปกปิดด้วยผ้าเพราะทรงมีปุริสภพยัญชนะปกปิดสนิทดังนั้นจึงชื่อว่ามีพระคุยหะฐานเร้นอยู่ในฝักคำว่าสุวรรณวันโนกันจนะสันนิพัตตโจมีพระฉวีสีทองคือคล้ายทองคําคือพระปริสัต ท, ทรงมีพระฉวีสีทองดุดรูปทองทงั้งแท่งที่นายช่างทองขยำสีแดงธรรมชาติ ขัดสีฝอยทองเหลืองพอกดินสอพองประดิษฐานไว้คำว่าสุขุมัตฉิวีสุขุมัตชวีมีพระชวีละเอียดคือทุลีละอองย่อมไม่ติดต้องในพระวรกายเพราะพระโพธิสัตว์ต้องมีพระชวีละเอียดมาดว่ามณทินอันใดมาสัมผัสก็เลื่อนหลุดไปดุดน้ำกลิ้งตกจากใบบวัวน้ำล้างพระหัตถ์ล้างพระบาทและน้ำสงสนน มีไว้เพื่อให้ชุ่มเย็นและมีไว้เพื่อให้พระสาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญข้อวัดปฏิบัติดังนั้นจึงชื่อว่าทรงมีพระฉวิละเอียดคําว่าเอเ ก, กะโลโมมีพระโลมาชาติเดียวคือชนเหล่าอื่นมีโลมาขุมละสองเส้นบ้างสามเส้นบ้างส่วนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ละขุมมีพระโลมาขุมละหนึ่งเส้น คำว่าอุทธัคโโลโมมีพระโลมาชาปลายงอนขึ้นคือพระโพธิต์มีเส้นพระโลมาดำสนิทดุจสีดอกอัญชันทั่วทั้งพระสรีรกายเวียนเป็นทัินาวัตสามรอบแล้วปลายกลับขึ้นเบื้องบนเป็นดุดจจมองดูพระพักอันมีพระตริดุจประทุมแย้มบานคำว่าบรั ม, มุชุทัตโต มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายทรมคือชนเหล่าอื่นจะมีลำคอสะเอวหรือเขา่าโค้งน้อมไปเบื้องหน้าหรือน้อมไปเบื้องหลังส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระวรกายสูงขึ้นตรงพระสรีระเต็มบริบูรณ์ดุจกายทรมจึงชื่อว่ามีพระวรกายตั้งตรงเพราะมีพระวรกายตรงคำว่าสัตตุสโด มีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์คือมีพระมังสะหนาในที่เจ็ดแห่งได้แก่หลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองพระอังศาทั้งสองแล้วก็กับลำลำกัศสนะที่อังศาทั้งสอทั้งสองข้างแล้วก็ลำกัศศ์ที่ทั้งเจ็ดแห่งนั้นกำบังมิได้เห็นพระเส้นปรากฏออกมาภายนอกก็ไม่เห็นเส้นเอ็น อะไรเลยนะที่เต็มเจ็ดแทงนี้คําว่าสีหะปุปพัท ก, กายโยมีพระวรกายส่วนบนดุจกายของราชสีหเนี่ยอธิบายว่าปกติกายของราชสีท่อนกึ่งข้างเบื้องหน้าล่ําพีบริบูรณ์ท่อนกึ่งข้างเบื้องท้ายบกพร่องส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระวรกายทั้งสองส่วนบริบูนเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ทิคสูตทั้งหลายเมื่อผลของกรรมที่น่าชอบใจปรากฏแล้วอวัยุวะส่วนยาวที่ทําให้พระโพธิสัตว์ให้งามที่ ท, divine, ทําพระโพธิสัตว์ให้งามย่อมมีสันฐานยาวอวัยุวะส่วนสั้นที่ทําให้พระโพธิสัตว์งามย่อมมีสันฐานสั้นอวัยุวะส่วนหนาที่ทําให้พระโพธิสัตว์งามย่อมมีสันฐานหนาอวัยุวะส่วนบางที่ทําให้พระโพธิสัตว์งามย่อมมีสันฐานบาง อวัยวะส่วนนูนที่ทำให้พระโพธิสัตว์งามย่อมมีสันฐานนูนช่างศิลป์หรือบุคคลผู้มีฤทธิ์ดาวไหนก็ไม่สามารถกระทำรูปให้เหมือนพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ซึ่งสำเร็จมาจากอำนาจแห่งบุญอันงดงามวิจิตจากต้นเขาในการเป็นอเนกด้วยประการชนี้ดังนั้นจึงชื่อว่ามีพระวรกายส่วนบนดุจกายของราชสี ใครใครช่างที่ไหนที่ไหนก็จะมาทําให้เหมือนไม่ได้นะแม้กนะระทั่งช่างที่เป็นเทวดานะอย่างพระพุทธรูปที่งดงามอย่างเช่นที่พิณุโระพระพุทธชินราชอันนั้นก็เทวดานะตามทํานานก็บอกว่าเทวดาแปลงตัวมาแล้วก็มาสร้างจึงได้งดงามขนาดนั้นหรือว่าที่อินเดียพระพุทธกยาพุทธเมตานะพระพุทธเมตาก็งดงามมากแต่ว่างานอย่างไรอย่างไรก็ ไม่เหมือนแม้เทียบส่วนหนึ่งในพันในหมื่นในแสนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆน ะ, ะนะเทียงแต่ว่าคล้ายหรือว่าไม่สามารถที่จะเหมือนได้ล่ะคำว่าจิตตันตระโสจิตตันตระโสมีร่องพระปริศดารเต็มเสมอกันมีอธิบายว่าสำหรับชนเหล่าอื่น แผ่นหลังดุดแต่งเป็นสองส่วนโค้งหรือนูนขึ้นสำหรับพระผู้มีพระป่าเจ้าพระมังสะที่หุ้มพระผาสุกกะและพระมังสะที่ปกพระปิดแสดางและกลางกระดูกพระปิดแสดางเต็มบริบูรณ์ตั้งแต่ลำพระศอจนถึงบั้นพระองค์ก็คือเอลเสมอเรียบตลอดพระปิดแสดางดังนั้นร่องพระปิดแสดาง กลางพระปิดางของพระโพธิสัตว์นั้นเต็มเสมอกันเหตุนั้นจึงชื่อว่ามีร่องพระปิดางเต็มเสมอกันคําว่านิโครทปริมันทโลมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรคือพระศรีระทั้งส่วนบนทั้งส่วนขวางของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสมอกันเพราะพระองค์ทรงมีพระวรกายพอดีหนึ่งวา ดุดปริมณฑลแห่งต้นใสเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายาวะตกสะกาโย ο, พระวรกายเท่ากับวาหนึ่งเป็นต้นคำว่าสมะวะตัตตขันโทมีลำพระศอกลมเท่ากันคือสำหรับชนเหล่าอื่นมีลำคอลำคอจะยาวหรือสั้นเส้นที่ลำคอจะปรากฏ ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ารำพระสอกลมเสมอกันดุดคอหม้อน้ําปุณณกรดระเบียบพระเส้นที่รำพระสอจะไม่ปรากฏในเวลาเปล่งพระตุรเสียงจะเปล่งออกแต่พระตุรเสียงดุดเสียงที่หน้ากลองตะโพนคําว่าราักษะสักคขขีมีเส้นพระประสาทรับรถพระกยาหารได้ดี คือมีพระเส้นประสาทรับรถพระกยาหารเจ็ดพันเส้นมีปลายแน่นขึ้นมาเบื้องบนแล้วรวมประชุมเข้าที่ลำพระสอมาดว่าเสวยพระกยาหารแต่ประมาณเท่ า, มาเมล็ดงานหนึ่งแต่พอตกถึงปลายพระชิวหารถก็แผ่ซ่านไปทั่วพระสรีรกายดังนั้นพระองค์จึงทรงยังอัตภาพอยู่ได้แม้ด้วยเยื่อถั่วพลูเพียงครึ่งฝ่ายมือ ณสถานที่บำเพ็ญเพียรและทรงมีอาพา์น้อยคําว่าสี ห, หานุมีพระหานุดุดคางราชสีคือมีพระหานุเหมือนคางของราชสีส่วนบนแห่งคางของราชสีว้าส่วนล่างเต็มเต็มนูนส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเต็มนูนทั้งสองส่วนพระหานุทั้งหมดเต็มบริบูรณ์ดุดสันฐานวงพระจันทร์ ในวันทวาดาศีสุกลาปก็คือข้างขึ้นสิบสองข้ามนี่นะคําว่าจัตตารีสะดันโตมีพระทนสี่สิบซี่คือมีพระทนข้างบนยี่สิบซี่พระทนข้างล่างยี่สิบซี่รวมสี่สิบซี่คำว่าสมะดันโตมีพระทนเรียบเสมอกันคือชนเหล่าอื่นฟันบางซี่สูงบางซี่ต่า บางสี่ตั้งอยู่ไม่เสมอกันส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทนเรียบเสมอกันดุดกาบสังที่ตัดด้วยเรื่อยคำว่าอาวิระระดันโตมีพระทนไม่ห่างกันชนเหล่าอื่นมีฟันเป็นช่องห่างดุดฟันจระเข้ปลาและเนื้อเป็นต้นย่อมลอดเข้าระหว่างฟันส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีระเบียบพระทนไม่ห่างดุดระเบียบแห่งแก้ววิเชียนก็คือเพชร อันตั้งเรียบเรียงร ะ, ระดับไว้เหนือแก้วประพานคำว่าสุสุกกะดาโถมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามคือชนเหล่าอื่นมีฟันเสียหรือว่าฟันดำเป็นต้นส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระทนสะอาดยิ่งดุจ ด, ดาวประกายพรึกคำว่าปะหูตะชิวโหมีพระชิวหาใหญ่ยาวคือ ชนเหล่าอื่นมีลิ้นหนาบ้างบางบ้า ง, างสั้นบ้างส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชิวหาอ่อนกว้างยาวสมบูรณ์ด้วยสีอ่อนดุดเส้นา้าแลบม้วนสอดเข้าช่องพระนาศิกทั้งสองได้ขนาดยาวแลบลุบกระวัดถึงช่องพระกันทั้งสองได้ขนาดกว้างอาจแลบแผ่ปกพระนาราจนถึงปลายพระเกศาได้คำว่า บรัมมัสโรกระวีกะพานีมีพระสุรเสียงสุดเสียงพรมและเสียงนกการะเวกคือชนเหล่าอื่นมีเสียงขาดหรือว่ามีเสียงแตดหรือมีเสียงเหมือนกาส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระสุรเสียงเช่นกับเสียงของพระมหาพรมเช่นกับเสียงของท้ามหาพรมไม่ทรงติดขัดด้วยน้ำดีและเสมหะเป็นต้น ทงเป็นผู้มีพระสุรเสียงประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้คือนุ่มนวลชัดเจนไพเราะน่าฟังกลมกลมไม่พลากลุ่มลึกก้องกังวานดุดเสียงของพรมเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่ามีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมส่วนนกกระเวกทั้งหลายเกาะบนกิ่งไม้กิ่งบนส่งเสียงร้องแล้วโดดลงกิ่งล่างฟังเสียงของตน เนื้อทั้งหลายทิ้งเหยื่อที่ปากคาบอยู่แล้วฟังเสียงนกกระเวกนั้นเสือเหลืองกําลังไล่ตามเนื้อกลละความพอใจในเหยื่อไม่ก้าวเท้าซึ่งยกขึ้นแล้วหยุดฟังเสียงนกกระเวกเนื้อที่กําลังวิ่งหนีก็ทิ้งความกลัวตายยืนฟังเสียงนกกระเวกเสียงของนกกระเวกเป็นอย่างนี้มีขนาะเป็นเสียงของสัตว์เดรัจฉานชนิดพิเศษก็ยังมีอนุภาพถึงเพียงนี้ เสียงของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์พงพัน์พิเศษจะมีอนุภาพและมหัศจรรย์สักเพียงไรพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าไพเราะกว่าเสียงของนกกาเวกร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าดังนั้นจึงทรงชื่อว่ามีพระสุรเสียงดุดเสียงนกการเรกคาว่าอภิณีละเนตโตมีดวงพระเนตรดาสนิทคือ ดวงพระเนตรจะดำทั้งหมดก็หามิได้ที่ควรจะเขียวก็เขียวดุดสีดอกสามหาวที่ควรจะเหลืองก็เหลืองดุดสีดอกกันนิกาที่ควรจะแดงก็แดงดุดสีดอกแซงหรือว่าดอกชบาที่ควรจะขาวก็ขาวดุดสีดาวประกายพลึกที่ควรจะดำก็ดำดุดสีผลประคำดีควายกระบอกพระเนตรงามดุดสีหะบัญชรแก้วมณีที่ฝาทอง ทรงชื่อว่ามีดวงพระเนตรดำสนิทก็เพราะทรงมีดวงพระเนตรที่ควรจะเขียวงามยิ่งคำว่าโคปะุโมมีดวงพระเนตรดุดตาลูกโคมีคำอธิบายว่าทรงมีดวงพระเนตรดุดดวงตาลูกโคเพราะทรงมีดวงพระเนตรทั้งคู่ผ่องใสดุดดวงตาของลูกโคแดงที่เพิ่งคลอดในขณะนั้นคำว่าอุนา พมุกันเตเรชาตามีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงคือพระอุณาโลมขึ้นที่ระหว่างพระขนงทั้งสองชูสูงขึ้นเวียนขวาดูตรงกลางพระนาราดุดฟองน้ำสีเงินติดอยู่ที่แผ่นทองเมื่อจับปลายเส้นพระอุณาโลมชักออกก็ยาวประมาณกึ่งพระกรในขณะที่ชักออกก็จะวนเป็นวงปลายชี้ขึ้น สีขาวอ่อนดุดปุยสมรีคำว่าอุนหีสสีโสมีพระเสียนดุดประดับด้วยกรอบพระพักท่านกล่าวมุ่งเอาพระนาราชและเสียงบริบูรณ์คำว่าอุนหีสังคือกระบังหน้าพื้นพระมังสะนูนขึ้นตั้งแต่หมวกพระกันเบื้องขวาปกขอบพระนาราถึงหมวกพระกันเบื้องซ้าย งามเหมือนเครื่องประดับพระพักของพระราชาชนทั้งหลายเห็นพระลักษณะนั้นจึงเอาอย่างมากระพำอุนหิตปัตตะเป็นเครื่องประดับพระพักเพื่อพระราชาทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระเสียรนั้นกลมรอบเป็นดุลต่อมน้ําเพราะทรงมีพระเสียรกลมรอบจึงทรงชื่อว่ามีพระเสียรดุลประดับด้วยกรอบพระพักพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า งดงามด้วยมหาปริศลกษณะสามสิบสองประการอย่างนี้ปราสากมนทินดุดบอ่อเกิดแห่งรัตนะที่เต็มและงดงามด้วยหมูแก้วมณีอันนี้ก็เป็นมหาปริษลกษณะสั้สิบสองประการของพระมหาบุรุษซึ่งก็เกิดจากกรรมอดีตซึ่งก็จะแสดงเรื่องของกรรมว่าพยายากรรมอะไรมาจึงสามารถที่จะได้รับลักษณะที่งดงามของพระมหาบุรุษอย่างนี้ ซึ่งก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้ศัทธาปิติประโมทรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการบำเพ็ญบา ร, รมีสามทิทัิมาแล้วก็ทั้งพร้อมบริบูรณ์ด้วยพระมหาปุริสลักษณะและนุพยัญชนะแล้วก็บริบูรณ์ด้วยพระรูปกายแล้วก็บริบูรณ์ด้วยพระนามากายก็คือสีนสมาธิปัญญาหรือ ว, ว่าหรือว่าพระญาณทั้งปวงพระคุณทั้งปวงของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเราได้มี สัทธาเพื่ออบรมวิริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามสเสด็จพระ ส, มรสมรัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเทิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ